แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขามีศาสนานั้นศาสนานี้นะอืมแต่จริงๆแล้วน้อยถ้าถ้านับเป็นเอาร้อยคนมาเนี่ยแล้วก็มาสํารวจเนี่ยโอ้อัตมาว่าจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จและะ้วตาตอนนี้ในที่น้อยกว่าเนี่ยในคนที่ที่จะมาทางธรรมเนี่ยนะในจํานวนน้อยเนี่ยนะพวกที่มาปฏิบัติธรรมจริงๆอีกก็น้อยลงไปอีกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางที ศิลปปะตูปาทานหรือศิลปตตาปามาตรคือปฏิบัติธรรมแบบแบบเล่นๆแบบไม่ได้เอาจริงจังอะไรหรอกก็ทํทำไปเหมือนเป็นจารีปเหมือนเป็นประเพณีเหมือนทำตามตามแฟชั่นไปเท่านั้นเองคือไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์หรือว่าให้ลดกิเลสของตัวเองจริงๆที่มันยากมันยากตรงนี้แหละเพราะไม่อยากลดกิเลสตัวเอง ว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือการลดกิเลสตัวเองลงเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าหาห า, ายาญาดในทางธรรมหรือว่าพี่น้องในทางธรรมนี่หายากเพราะว่าบางทีบอกแล้วทำธรรมตามตาลกันไม่ใช่ว่ามาทำจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยากมาลดกิเลสจริงๆหรือถ้าให้ลดบางวันอย่างเช่นวันอาทิตย์เออมาวัดมาฟังธรรมมาทําบุญใส่บาตรบ้าง อ, อ, อย่างนี้เขาเอา แต่อีกหวันไม่รู้ไปไหนแล้วล่ะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้แหละมันก็ยังเล่นๆมันก็ยังไม่ได้เอาจรีงจังอะไรมันก็ทำแค่ว่าอะไรอ่ะพอให้คิดว่าได้สะสมบุญไว้บ้างนิดๆหน่อยๆคือเขาไม่ได้คิดเอาจริงอ่ะถ้าเอาจริงเนี่ยคนเอาจริงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยแหมจะมาสักวันเดียวมันจะพอเลกก็เห็นอยู่แล้วว่ามันขาดทุนแน่นอนล่ะ ใช่ไหมยังไม่ถึงครึ่งเลยเวันนี่ถ้ามากกว่ครึ่งอย่างน้อยต้องสวันใช่ไหมถึงจะถือว่าเกินครึ่งอันี้ยังไม่เกินเลยนี่มาวันวนี้อาทิตย์หนึ่งนอกนั้นก็ไปแบบโลกโลกหมดแล้วถ้าไม่ไม่มาเป็นพี่น้องในทางธรรมก็จะไปเป็นพี่น้องในทางโลกโล ก, กีเท่านั้นเองวันแต่ละวันน่ยที่เขาครุกอยู่จะพูดจะคุยจะทํางานจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปแบบโลกโลก ถ้าตอนนี้เขาดูฟุตบอลยูโรกันก็ก็ด mm ู hmm. กับเขาเชียร mm ์ hmm. กับเขาแข่งกับเขาหรือเผลอๆก็นูน่นไปพนันกับเขานู่นเลยเอา้าวพอโลกโลกเขาก็ลุ้นเงิน mm hmm. เขาจะให้มันมันเขาก็ไปพนันกันแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามห้ามยังไงก็เถอะอห้ามยังไงก็กิเลสมันขึ้นมันก็เอาไม่อยู่หรอกเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องในทางในทางโลกโลกเนี่ยอานะจะบอกหาง่ายก็ได้จะบอกว่าหายาก ก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าบอกแล้วว่าอยู่ที่เราเข้าใจขนาดไหนแต่ในที่นี้เนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันหายากเพราะว่าเป็นจํานวนน้อยมันเป็นจํานวนน้อ ย, นนนอยแล้วในในจำนวนน้อยเนี่ยที่บอกว่าเป็นพี่น้องในทางธรรมที่หายากเมื่อกี้อาจมาบอกแล้วในทางวัตถุเนี่ยก็ยังหาง่ายแต่ยิ่งในทางจิตวิญญาณยิ่งหายากขึ้น มีคนเคยมาถามอาตมาว่าเนี่ยบอกว่าอยู่วัดหรือว่าบางทีท่านก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างนี้เขาบอกจริงเหรอท่านรู้สึกงั้นจริงเหรอเขบอกบางทีเขามาอยู่วัดเนี่ตั้งนานทั้งหลายปีเขาไม่รู้สึกเลยว่าว่ามันจะเป็นพี่น้องกันคือยังไงเขาก็รู้สึกว่าคนละพ่อคนละแม่ต่างจริตต่างนิสัย บางทีทำแล้วก็ยังไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยพอใจถือสามันไสอะไรต่ออะไรเอา้าเขาก็ตอบมาตามตรงนะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกเลยว่าว่าว่าจะเป็นพี่น้องได้แต่ว่าเขาก็มาร่วมปฏิบัติธรรมอ่ะเขาก็มาร่วมแหละแต่เขาไม่รู้สึกจริงๆทางจิตวิญญาณเนี่ยยิ่งบางทีเขาบอกเขาป่วยมั่งหรือว่าบางทีเขาลาบากมั่งอรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าไม่เห็น นักปฏิบัติธรรมคนอื่นจะมาเหมือนกับช่วยเหลือดูแลอะไรเขาเลยบางทีเขาอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องเขายังจะดูแลเขามากกว่าเออเขาก็บอกอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาตมาบอกแล้วดูเปลือกเปือกมันก็เออมันก็ถูกของเขาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าเขายังไม่เข้าใจสัจจะว่ายิ่งจริงๆเนี่ยมันยากตรงนี้แหละ ยิ่งคนละพ่อคนละแม่ไม่ใช่สายเลือดทางโลหิตอยู่แล้วต่างคนต่างมาจากทั่วสารทิศมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมีธรรมะเนี่ยเป็นเป็นเชือกที่มาร้อยให้มาอยู่ร่วมกันเข้าด้วยกันร้อยตัวเนี่ยง่ายแต่ร้อยใจให้รวมกันเป็นหนึ่งมันมันยากอย่างนี้แหละต่อให้พี่น้องในทางโลกก็เหอะ นะยังไม่ง่ายเลยจะมีสักกี่ครอบครัวที่จะแหน่พี่น้องรักใคร่กันดีจริงโอ้ช่วยเหลือกันดีจริงก็หาไม่ง่ายหายากดูเหมือนกันดูเสิที่ทะเลาะบอกแวง้งไม่ช่วยเหลือกันบอกไล่เงินกันคนละกระเป๋าเลยคุณไปดูเสียเยอะแยะมากมายและทางธรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขัดใจเราด้วยฝืนกิเลสเราด้วยมันยิ่งยากยิ่งกว่านั้นอีก ยิ่งบอกล่าโดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะคิดกันมากเลยหลายคนที่บางทีมาอยู่วัดแล้วบอกบอกว่าจะอยู่ได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าเงินตัวเองใกล้จะหมดเนี่ยก็จะต้องออกนอกวัดเพื่อที่ไปหาเงินไว้สักก้อนหนึ่งแล้วก็จะได้แบบว่ากลับมาอยู่วัดใหม่เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันต้องพึ่งตัวเองอยู่วัดแบบต้องพึ่งตัวเองคือเขายังไม่มีความรู้สึกว่า เขาจะพึ่งคนอื่นได้อาัตามาก็บอกว่าถ้าตาบใดคุณยังคิดอยู่อย่างเงี้ยนะคุณก็หาพี่น้องที่ไหนไม่ได้เพราะความเป็นพี่น้องมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะความเป็นพี่น้องนี่มันเกิดจากตัวเราเองเกิดจากใจเราเองยิ่งพี่น้องทางธรรมเนี่ยคุณทําใจคุณได้หรื อ, อยังน่ะว่าเออถ้าเขาลาบากหรือว่าเขาทุกข์ร้อนนะเราก็จะช่วยเหลือเขา คุณมีใจนี่พร้อมหรื อ, อยังถ้าคุณมีใจพร้อมนั่นแหละนั่นละะคุเริ่มมีใจแบบเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เป็นภาราดรภาพในทางธรรมเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยละชัดขึ้นเรื่อยๆรื่อยละเพราะฉะนั้นอันนี้บอกแล้วว่ามันยากกว่าเพราะว่ามไม่ได้สายเลือดเดียวกันอคุณพ่อคุณแม่กันมาเนี่ยมันยิ่งต้องโอ้โหฝืนกิเลสฝืนใจอะเพราะว่ามันใจมันชอบคิดว่า โอ้ยนั่นใครก็ไม่รู้มาจากไหนทีมาทีหลังเราอีกยังมาทำกลางมาทำเก่งแหมเรามาต้องนานแล้วนะแหมไม่มีสัมมาคารวะเลยหน้าหมันไส้นะัก <c oughs> อะไรโน่นไนยคุณก็ยิ่งใจคุณนี้ก็ยิ่งไม่มีพละดลภาพแล้วเรายังไม่มีความเป็นพี่น้องให้กับคนอื่นเลยแล้วเราจะไปหาความเป็นพี่น้องจากที่ไหน เพราะใจเรามันไม่มีแล้วคุณจะไปหาความเป็นพี่น้องจากที่ไหนอ่ะราะความเป็นพี่น้องเนี่ยมันต้องหาได้จากใจเราเองก่อนเราะ ม, มันต้องฝืนกิเลสเราหลายเรื่องหลายเรื่องมากเลยบางทีโดนติบ้างโดนว่าบ้างบางทีเจอเนี่ยเจ็บป่วยบ้างเจอความลําบากบ้างเจองานหนักบ้างเนี่ยจะสํารวจได้ว่าคุณจะเหลือความเป็นพภาระดลภาพกี่เปอร์เซ็นต์อ่ มันวัดด้วยได้ด้วยใจเราไปสังเกตดูนะพอเวลาเนี่ยโดยเฉพาะบอกแล้วป่วยเหนื่อยอาลาบากอะไรพวกเนี้สามสภาวะพวกเนี้เอาเอาสภาวะทั่วๆไปเนี่ยสภาวะพวกเนี้ ย, ออ ย, พ, ยพอมันเกิดขึ้นนะคุณเริ่มแล้วเริ่มแบบว่าทําไมไม่มีใครมาช่วยเรา ทำไมไอ้คนนั้นคนนี้ก็ไม่เห็นแบบว่ามาดูแลเราบ้างเลยมันจะคิดแล้วนะแต่ถ้าคุณเกิดแม้มีคนนู้นคนนี้มาดูแลคุณก็อาจจะไม่รู้สึกไอ้ไอสภาวะพวกนี้แต่คนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเร า, เรามักจะคิดอย่างเงี้ยตอนที่เราป่วยเราเจ็บมันจะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยคนอื่นเขาเจ็บเ็าป่วยเนี่ยเราบางทีเราก็ลืมคิดเห็นไเราไม่ได้คิดถึงอะ ว่าเอ้ยไปเยี่ยมเยินบ้างไปถามถ่ายบ้างหรือว่าไปแบบว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยคิดอะแต่พอเราป่วยเนี่ยเราชอบคิดเนี่ยจริงๆมันเป็นกิเลสเราอย่างหนึ่งนะเพราะอัตามาถึงบอกว่าเราต้องตัดกิเลสพวกเนี้ให้ออกให้ได้ถ้าตัดไม่ออกเนี่ยความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยมันอยากให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นพี่น้องเราแต่โดยสภาพความเป็นจริงเรากับจะไม่ค่อยเกื้อกูลเราไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่น แต่เราอยากให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราเราอยากให้คนอื่นมาเป็นพี่น้องเราแต่เราไม่ค่อยเป็นพี่น้องกับคนอื่นคือมันจะเป็นสภาพอย่างนี้แหละเพราะในทางธรรมเนี่ยมันจะต้องพยายามเรียนรู้กิเลสตัวเองเข้าใจสภาวะตัวเองให้ได้ถ้าเข้าใจไม่ได้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่หาพี่น้องไม่ได้นะแล้วคุณก็จะ ได้แค่บางคนเท่านั้นแหละบางคนที่คุณรู้สึกว่าเออเขาก็ดีด้วยกับเราแต่คนไหนที่ไม่ดีด้วยกับเราเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่ใช่พี่น้องเลยทันทีหรือคนไหนที่เขาก็ไม่สนใจเราเท่าไหร่เราก็จะไม่สนใจเขาเหมือนกันเราก็อย่างเนี้ยเราก็จะไม่มีความเป็นพี่น้องกับคนนั้นเราเลยกลายเป็นคนที่จะเป็นพี่น้องกัใ <kal. S 1> กบใครได้ก็คนนั้นเขามาเป็นพี่น้องกับเรานั่นแหละเราถึงเป็นพี่น้องกับเขา ทั้งๆ ท, ที่ในสภาพความเป็นจริงมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมด้วยกันพูดภาษาก็กินข้าวหม้อเดียวกันเอานอนชายคาเดียวกันแล้วอะไรอีกแต่นอนเสือคนละผืนไม่จะผืนเดียวกันว่าไอสภาวะเนี่ยที่อาตมาไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตวิญญาณจริงๆเลย คำถามนี้อาจะมาเคยเคยตอบไปหลายทีเพราะว่าเวลาที่พวกเราที่มาอยู่วัดเนี่ยแล้วก็บางครั้งก็ทุกขุ้มใจแบบเนี้ยหรือบางคนยังไม่ต้องอยู่วัดหรอกแต่มาแล้วมาเจออะไรอ่ะหมัดแยบมั่งเจอหมัดหุกมั่งเจอสอยดาวสาวเดือนอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้โหความเป็นพี่น้อยไอ้ความเป็นพี่น้องเนี่ยหดหายไปหมดเลยแล้วก็มักจะเข้าใจอย่างนั้นด้วยนะว่า แม้ความเป็นพี่น้องเนี่ยต้องเหมือนกับเอาใจกันอะ่ะต้องเหมือนกับมาช่วยเหลือกันในลักษณะที่พูดดีๆกับเราอแล้วก็มาช่วยเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือคิดแต่ในมุมที่ว่าเขาเหมือนกับเขาต้องมาเอาใจเราอย่างนั้นอะ่ะแล้วเราถึงจะรู้สึกว่าเป็นพี่น้องทงั้งทั้งที่โดยทางธรรมบอกแล้วมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งโดยธรรมะเนี่ยมันมันลึกซึ้งยิ่งกว่าโดยทางโลกอีกด้วย เพราะทางธรรมเนี่ยเราเอาธรรเป็นใหญ่นะล้ว เ, เอาธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่ด้วยเพราะะบางทีเนี่ยเขามาติเขามาว่าเอาเขามาแบบว่าภาษาเราก็เอาภาษาพระเจ้าท่านใช้ว่ามาให้ขุมทรัพย์เราเนี่ยอท่านใช้ว่าจะขนาบแล้วขนาบอีกภาษาที่ท่านใช้เหมือนช่างปั้นหม้อเนี่ยนะที่นวดดินแล้วก็แหมขนาบแล้วขนาบอีกเพื่อที่จะเอาดินมาปั้นหม้อให้ เป็นภาชนะที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยคุณคิดดูนี่ในทางธรรมมันจะเป็นลักษณะนี้อนบางทีเนี่ยโหโดนติโดนว่ามัง่งโดนลงโทษบ้างสิ่งเหล่านี้จริงๆนี่แหละพราดรภาพต้องต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้ว่าเนี่ยเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีที่จะให้เราได้ดีคือบางทีเนี่ยไม่ได้ตามใจเรา แล้วก็ขัดใจเราด้วยยิ่งถ้าศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยสันเลกธรรมเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าโอ้โหมาปฏิบัติธรรมนี่มันโดนขูดนะมันโดนขัดเกาใจเรานะเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยคุณถึงจะแบบว่าเออรู้แล้ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาคนมาทํากับเราเราก็อยากให้นุ่มๆนุ่มๆหน่อยนะบอกให้หูซับได้นะ แต่ว่าให้ดูหน้าเราให้ดีน ะ, ะใช่กลุ่มซับเราเนี่ยอแต่พอเวลาให้กลุ่มซับคนอื่นบางทีโอ้โหไม่ค่อยจะดูหน้าคน อ, อื่นเลยนะว่าหน้าคน อ, อื่นเขาเป็นยังไงอือ่าปากเสียงดังเลยโอ้ให้เขาตูมตูมเพราะฉะอันเนี้ยบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรอะเท่าทันวาระจิตของตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึก เป็นพาระเดเรภาพในทางธรรมเนี่ยยากมากเลยแล้วถ้าใครมีจริงนะคราวนี้ใครปฏิบัติไปลดละความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงไปได้เข้าใจสภาวะธรรมที่เป็นสัจจะที่แท้จริงได้เนี่ยโอ้โหคุณไม่โกรธเลยคุณจะไม่ถือสาเลยคุณจะขอบคุณด้วยจริงๆด้วยเวลาที่เขามาติเตียนเราเวลาที่เขามาว่าเราด้วยความที่เขาจะให้เราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ย ผูเจ้าถึงได้บอกว่าเป็นขุมท ร, พรัพย์จริงๆไงโนเอาเงินทองมาให้คุณคุณจะเกียดเขาเลยแต่บอกแล้วว่าจิตคุณเนี่ยถ้าไม่ถึงเนี่ยคุณมองยังไงคุณได้ยินยังไงคุณก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นแหมเพชรนินจินดาเอามาให้คุณสักทีคือไม่ได้มองเป็นเขาให้ทรัพย์สินเงินทองเราเลยเวลาด่าเราทีไรเราก็รู้สึกโอ้โหเพียง ก้อนหินใส่เราทุกทีเราก็หัวร้างข้างแตกทุกทีไปเนี่ยมันยังไม่ไม่เห็นเป็นขุมทรัพย์ได้เลยท่านใช้คําว่าขุมทรัพย์เลยนะไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาขุมทรัพย์นี่หมายถึงว่าทรัพย์มหาศาลมันเป็นขุมเลยเป็นจํานวนมากเลยเพราะฉะนั้นคุณสัมผัสได้มากแล้วยิ่งจริงๆเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้โหมาอยู่นี่นะต้องถือศีลห้าบังเอ า, เอาต้องถือศีลแปดบัง รู้อยู่แล้วว่ามาเพื่อมาลดราิกิเลสแล้วก็มาเอาดีเนี่ยคุณชัดเลยประเด็นนี้คุณรู้อยู่แล้วเพราะตัวเราก็ก็มาด้วยอย่างนั้นเหมือนกันเราชัดอยู่แล้วนะแต่ไม่แคล้วอ่ะพอเวลาโดนซัดทักตุบสองตุบนี่ทุกทีไปอ่ะหงุดหงิดไม่ชอบใจสายโทรศัก็โกรธเคืองนะบางทีก็แค้นอยู่ในใจหาเวลาว่า ดาบนั้นจะคืนสนองเมื่อไหร่หาเวลาอยู่เมื่ อ, อไหร่ได้วอการจะจะเอาเมื่อนั้น น, นี่นี่สภาวะจิตใช่ไม่ได้นะยังไม่เข้าถึงธรรมนะถ้าไม่ใช่สายโทสะเป็นสายกรรมามโดนติโดนว่าก็น้อยใจหดูฮหอเหีย ว, วซึมเบื่อเซ็งเซ็งไปเซ็งมาก็กลับบ้าน<笑><笑>นั่นแหละ ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเ น, ยเนยคือคนที่ยังยังยังไม่เข้าใจพาราดลภาพในทางธรรมหรือว่าความเป็นพี่น้องในทางธรรมคือถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยคุณอยู่ไปอยู่ไปคุณก็ไม่ค่อยพาสุขเพราะว่ามันมันมันจะยังคิดแบบโลกโลกอยู่ไงมันยังไม่คิดแบบทางธรรมเนี่ยถ้าถือว่าคุณคิดแบบทางธรรมได้เมื่อไหร่เนี่ยน่ามันจะลดไอ อัตราตัวตนของเราลดความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยมันจะเชื่อเฉือนมันจะลดลงไปได้เรื่อยๆจนในที่สุดทําให้เราเนี่ยนะมันจะฝืนใจได้จากแรกๆยังจะฝืนใจมากแต่พอคุณฝืนใจไปฝืนใจไปแล้วคุณก็รู้ว่าว่าโอ้โหยิ่งฝืนใจก็แหมขุมทรัพย์เราเลยคือเราก็รวยขึ้นเรื่อยๆรวยอริยาทรัพย์เรารวยอริยาทรัพย์เนี่ยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้น คุณมีอริยทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องเป็นปิติเป็นสุขสิที่คุณได้รับแต่เพราะคุณไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันเราไม่คิดว่ามันเป็นอริยทรัพย์ของเราเราคิดว่าโดนแกล้งเราคิดว่าอย่โงนียกมาอะไรอ่ะขัดแข่งขัดขาเราคือพอคุณคิดอย่างนี้นี่ทันทีเลยเสื่อมเลยนะไอศรัทธาก็ตามศีลก็ตาม เ อ, อะไรอ่ะสัจจะโภคะฮิริโอตปะหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้อริยทรัพย์ต่างๆอะไรพวกนั้นน่ะนะเ็ดอ่ะใช่ไหมอริยทรัพย์เจ็ดคุณก็จะหดไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะไม่เหลือโดยเฉพาะตัวศรัทธาในเพื่อนฝูงตัวศรัทธาในหมู่กลุ่มของคุณก็จะหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยแล้วในที่สุดคุณก็อยู่กับทางธรรมไม่ได้ในทสุดก็ต้องหนีไปทางโลก ก็ต้องไปอยู่กับคนโลกโลกเขาก็ต้องมีพี่น้องแบบลกโลกนั่นแหละคุณยังเลื่อนฐานมาเป็นพี่น้องแบบในทางทรามไม่ได้อา น, นมาบอกแล้วว่าจะอยู่แบบสาธารณะโภกีกับเขาไม่เป็นอยู่ไม่ได้เพราะยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่มากยังหอบผัวงยังมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของตัวเองอยู่มากมันไม่ยอมที่จะกล้าเสียสละให้กับคนอื่นเขาได้ท่นก็จะหอบหวงอยู่อย่างนี้แหละนะอวันเย็บก็พยายามพูด พอสมควรให้เราแยกให้ได้ระหว่างพี่น้องในทางธรรมกับในทางโลกว่าเดี๋ยวนี้ใช้อภิเนห์ปัจเวกก็คือคือเครื่องคอยเตือนสติเราคอยบอกตัวเราอย่างสมณะอย่างผู้ที่บวชแล้วเนี่ยพุเจ้าท่านก็ต้องมันพิจารณาเสมอว่าบัดนี้เราเป็นอะไรอยู่อย่างอย่างเป็นสมณะอยู่เนี่ยหรือว่าอย่างพวกคุณเอาเราเป็น คนวัดอยู่เราถือศีลแปดอยู่ไอไพวกนี้ต้องมันเตือนตัวเองว่าเราต่างจากจากคนโลกโลกแล้วนะเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในทางธรรมแล้วนะแล้วมันมีหลายๆข้อเนี่ยพระเจ้าท่านก็สอนให้คอยเตือนตัวเองอย่าเผลออย่าลืมสติเพราะเผลอเมื่อไหร่ลืมสติเมื่อไหร่นะทันทีเลยของเก่ามาทันทีส่วนธรร ม, มะเนี่ยจะเป็นของใหม่ เป็นของที่เราจะเพิ่มใส่ในจิตวิญญาณเราให้จิตวิญญาณเราเนี่ยรู้ธรรมะเพิ่มขึ้นเข้าใจธรรมะ ม, มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นซึ่งจะทําให้จิตวิญญาณของเรามีสภาวะธรรมที่เป็นพราดรภาพเป็นพี่น้องเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยเื่แล้วข่าวนี้ต่อให้จริลุต่างกันต่อให้เรียกว่าแม้พูดไม่ค่อยเข้าหูเราเลยคนนี้คนนี้นะนะแต่คุณก็ไม่ไปถือสาอะไร่ะ เพราะคุณถือว่าเออคนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องเราพี่น้องในทางธรรมคุณจะให้อภัยได้ง่ายคุณจะมีเมตตาให้เขาได้ง่ายอืมมันจะไม่จองเวรไม่อาร่าไม่พยาบาทไม่ไปถือสาหม่านไสอะไรคนนักอ่ะเออมันจะคลายจิตตัวเองเนี่ยลงมาลงมาได้แล้วในที่สุดมันก็จะเพิ่มจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วธรรมะคุณก็จะสูงขึ้น นะอา้าววันนี้คงฝากไว้เท่านี้